บทที่สเทศสามธรรมาทย์วันพรุ่งนี้จะมีงานเทศมหาชาติเรือนปัญญาหลังใหญ่ของยายจึงดูคับแคบลงไปถนัดเมื่อลูกลูกห ล, ลานพากันมาพร้อมหน้า เนื่องจากนิมนต์พระมาเทศปีละสองครั้งยายจึงลงทุนซื้อธรรมาตุสามหลังมาไว้ประจำบ้านจะได้ไม่ต้องไปขอหยิบขอยืมจากวัดและที่ต้องซื้อไว้ถึงสามหลังก็เพราะนิมนต์พระมาครั้งละสามรูปซึ่งท่านจะขึ้นธรรมาตเทศโตอตอบกันเรียกว่าเทศปุจฉาวิสัชนาการที่พระเทศสามรูปในคราวเดียวกัน คนโบราณเขาเรียกว่าเทศสามธรร ม, มาตบรรดาลูกหลานที่เป็นผู้ชายช่วยกันตกแต่งสถานที่เริ่มตั้งแต่ประตูรั้วมาจนถึงเรือนโดยนำกิ่งไม้สดและต้นกล้วยต้นอ้อยมาตกแต่งทําเป็นซุ้มประตูป่าส่วนพวกผู้หญิงก็นำกระดาษสีมาตัดเป็นพวงมาลัยและ เป็นรูปดอกไม้ประดับตามเสาเรือนและประตูหน้าต่างรอบๆ ร, รร ม, มาต์ตกแต่งด้วยกระดาษหลากสีตัดเป็นลวดลายงดงามมีต้นกล้วยและต้นอ้อยผูกติดไว้ทั้งสีม่มุมในแต่ละรร ม, มาตรพวกที่ถนัดทำอาหารก็เข้าครัวเตรียมทำกับข้าวและของหวานไว้เลี้ยงพระเลี้ยงคน ซึ่งนอกจากจะเป็นลูกลูกห ล, ลานของยายแล้วก็ยังมีเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงตลอดจนที่คุ้นเคยกันมาร่วมฟังเทศด้วยตกค่ําพวกผู้ชายช่วยกันจุดตะเกียงเจ้าพายุมาแขวนบนคือพวกเด็กๆ ก, ก็พากันตื่นเต้นกับแสงไฟต่างวิ่งเล่นวิ่งไล่กันเป็นที่สนุกสนานขณะที่พวกผู้ใหญ่ช่วยกันทํางานอย่างขมักขเม้น โดยหวังจะได้บุญการเตรียมงานเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลาสองยามผู้ที่บ้านอยู่ใกล้พากันกลับไปนอนหลับยังบ้านเรือนของตนส่วนพวกบ้านไกลถือโอกาสนอนค้างที่บ้านยายแม่จวนมารดาของเด็กชายเจริญและเป็นลูกสาวคนเล็กของยายมากับลูกสาวทั้ง9ก้าคนปล่อยให้ทิดพองผู้สามีเฝ้าบ้านแต่เพียงลําพัง แม่จะนอนค้างหรือว่าจะกลับบ้านครับเด็กชายผมแกะถามมารดานอนห้องผมก็ได้ครับห้องออกกว้างเด็กชายถือโอกาสชวนโดยอยากใกล้ชิดมารดาอันเป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ที่ต้องการความรักความอบอุ่นจากผู้บังเกิดเกล้าดีเหมือนกันเดี๋ยวนะให้แม่ไปบอกพี่ๆเองก่อน เธอลุกออกไปบอกลูกสาวให้พวอกล่อนจัดการปูที่หลับที่นอนกันเองบ้านยายมีเครื่องนอนครบทั้งที่นอนหมอนมุง้งและผ้าหม่มเสร็จแล้วจึงกลับมาที่ห้องลูกชายซึ่งเขาปูที่นอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วแม้จะรู้สึกง่วงด้วยเลยสองยามไปแล้วหากแม่จวนก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระด้วยเคยปฏิบัติจนชิน คืนไหนไม่ได้สวดมนต์คืนนั้นจะนอนไม่หลับนิสัยดีงามนี้ตกทอดมาถึงลูกๆของเธอพวกเขาสวดมนต์เป็นกันทุกคนเพราะเธอสอนลูกโดยทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่เขายังอยู่ในท้องคนเท่าคนแก่เชื่อว่าการสอนลูกให้เป็นคนดีนั้นต้องสอนกันตั้งแต่เริ่มตั้งครร เด็กชายเจริญสวดมนต์เสร็จก่อนมานดาเพราะสวดเพียงห้าบทคือบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณภาหุงมหาการุนิโกแม่จวนก็สวดห้าบทนี้มาตั้งแต่ครั้งยังเป็นเด็กต่อมาหลวงพ่อเชื้อท่านก็แนะนำให้สวดกรณียเมตตาสตรกับเมตานิสังสสูตรเพิ่มอีกสองบท ส่วนมนเสร็จเธอจึงล้มตัวลงนอนดึงบุตรชายคนเดียวเข้ามากอดเด็กชายกอดมารดานแน่นด้วยโหยหาความรักมานานไอ้หนูเอ็งไม่เกลียดแม่แล้วหรือทีท่าหมางเมินของลูกชายวันเก่าๆทำให้เธอคิดว่าเขาเกลียดผมไม่เคยเกลียดแม่เป็นคำตอบของเด็กชายผมแกล และทำไมเมื่อก่อนเองทึงเฉยเมยหลบหน้าหลบตาไม่มาหาแม่เพราะผมคิดว่าแม่ไม่รักผมนี่ครับเขาสารภาพใครบอกเองละ่ะใครว่าแม่ไม่รักเองไม่มีใครบอกหรอกครับผมคิดเอาเองก็แม่ยกผมให้ยายแล้วก็ไม่เคยมาดูแล ผมได้เห็นแม่เพียงปีละสองครั้งตอนมีเทศแม่ไม่รักผมใช่ไหมครับคำพูดของลูกชายทำให้แม่จวนร้องไห้เธอกอดลูกแน่นพูดทั้งน้ำตาว่าโถทูลหัวของแม่ถ้าไม่พูดออกมาแม่ก็คงคิดว่าเองเกลียดแม่ที่แท้ก็น้อยใจเพราะคิดว่าแม่ไม่รัก ถ้ารักก็คงไม่ยกผมให้กับยายเขาตัดเพอแม่จําเป็นต้องทําเช่นนั้นเองไม่รู้หรอกว่าวันที่ยายมารับตัวเองไปนั้นนะ่ะแม่ร้องไห้ใจแทบขาดเพราะมีลูกชายอยู่คนเดียวในบรรดาลูกสิบคนแม่รักเองมากที่สุดถึงพ่อเองเขาก็รักลูกชายมากกว่าลูกสาว และทำไมถึงต้องยกผมให้ยายด้วยล่ะครับหรือเป็นเพราะรักจึงต้องผลักสายไล่ส่งเด็กชายแกล้งถามที่จริงยายเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังแล้วหากก็ยังอยากจะฟังจากปากมารดาอีกครั้งแม่จวนหยุดร้องไห้เล่าให้ลูกฟังว่าพ่อกับแม่ไม่ได้คิดผลักสายไล่ส่งดังที่เอ็งคิด แต่เพราะว่าเห็นแกหลวงพ่อเชื้อท่านอุสาหแนะนำด้วยความหวังดีท่านเป็นผู้วิเศษนะไอ้หนูพ่อกับแม่คิดว่าท่านคงมองเห็นอนาคตของเองถึงได้ไม่อยากให้อยู่กับพ่อแม่เหรอครับผมนึกว่าแม่เกรงใจยายซิอีกเรื่องยายนั้นแม่ไม่ห่วงเพราะว่าส่งพี่พี่เองมาก็ได้แต่พ่อกับแม่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อเชื้อ ท่านคงเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเองก็เลยต้องทําตามที่ท่านแนะนําที่สําคัญกว่านั้นคือพ่อเองกลัวอย่างที่แม่กลัวกลัวอะไรครับกลัวเองจะเป็นกระเทยนะสิมีพี่เป็นผู้หญิงหมดเลยเป็นห่วงเองจะกลายเป็นผู้หญิงไปอีกคนถึงตอนนี้เด็กชายหัวเราะคิกๆ เมื่อนึกถึงอิจ้อยเพื่อนร่วมชั้นเพิ่งจะเข้าใจความรู้สึกบิดามารดาอย่างแท้จริงก็ตอนนี้เอ็งถามอะไรหรือไอหนูแม่จวนอยากรู้คำก็ะเธยสิครับแม่เพื่อนผมคนหนึ่งชื่อจ้อยมันเป็นผู้ชายแต่เพื่อนๆ เ, เรียกอิจ้อยเพราะมันดัดจริตดีดดิ้นจีบปากจีบคอพูด แถมทำเสียงอ่อนเสียงหวานเดินตูดบิดไปมาดูน่าเกลียดร้ายกว่านั้นนะแม่มันนุ่งกระโปรงมาโรงเรียนแม่มันร้องไห้ร้องห่มมาฟ้องครูว่าลูกชายไม่ยอมนุ่งกังเกงเอากับโปรงพี่สาวมานุ่งแล้วครูทํำยังไงครูเขาก็เคียมครับมันก็ยอมให้ครูทําโทษทุกวันจนครูเขาเบื่อไปเอง เขาบอกแม่มันว่าให้ทำใจเถอะนึกว่าเป็นเวรเป็นกรรมพวกเ พ, เพื่อนก็เลยเรียกมันว่าอีจ้อยจนติดปากเด็กชายพูดชอดๆรู้สึกอบอุ่นและก็มีความสุขกว่าทุกวันน่าสงสารนะลูกฟังแล้วแม่สังเวชใจเหลือเกินเป็นความทุกข์อันใหญ่หลวงของพ่อแม่ที่ลูกมามีอันเป็นไปเช่นนั้น ครับพ่อแม่ของมันก็กลุ้มใจมีลูกชายคนเดียวเสียด้วยเห็นเขาว่าพี่ๆของมันเป็นผู้หญิงหมดมันก็เลยอยากจะเป็นผู้หญิงบ้างผมโชคดีนะครับที่มาอยู่กับยายไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นอย่างอีจ้อยไปแล้วก็ได้พูดอย่างโล่งอกนั่นสิพ่อกับแม่ถึงต้องยอมยกเองให้กับยายไอ้หนู ถ้าเองกลายเป็นกระเทยไปแล้วก็แม่ต้องฆ่าตัวตายแน่ๆอย่านะครับแม่ยายสอนว่าคนที่ฆ่าตัวตายต้องตกนรกลูกชายว่าถูกแล้วหลวงพ่อเชื้อท่านก็เคยสอนว่าคนที่ฆ่าตัวตายนั้นบาปหนาที่สุดต้องไปตกนรกหมกไหมถึงห้าร้อยชาติเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ต้องฆ่าตัวตาย ติดติดกันถึง7ชาติจึงจะหมดกรรมแปลว่าฆ่าตัวตายเพียงครั้งเดียวแต่ต้องไปตกนรกห0 0ชาติแล้วก็ต้องฆ่าตัวตายอีกเจชาติอย่างนั้นเหรอครับหลวงพ่อเชื่อท่านว่าอย่างนั้นแล้วแม่ก็เชือ่อเพราะท่านเป็นผู้วิเศษผู้วิเศษเป็นยังไงครับแม่คือผู้ที่สูงด้วยคุณธรรมพระได้ฝึกฝนอบรมมาดีแล้ว ทั้งได้เคยสร้างสมวาสนาบารมีมาตั้งแต่ครั้งอดีตชาติทำให้บรรลุคุณวิเศษต่างๆเป็นต้นว่าหูทิพตาทิพย์รู้วรารจิตผู้อื่นระลึกชาติได้มีอิทธิฤทธิ์เช่นเหาะเหินเดินอากาศได้เป็นต้นแม่จวนอธิบายจากปัญญาที่เกิดจากการฟังพระเทศคือ สุตมยะปัญญาคนเหาะได้มีจริงๆหรอครับผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะคนตัวหนักกว่านกจะล่องลอยไปในอากาศได้ยังไงเด็กชายไม่อยากจะเชื่อได้สิลูกอย่างหลวงพ่อช้างวัดตึกกระชาท่านก็เหาะได้ยายเองเคยเล่าให้แม่ฟังว่าท่านเคยเหาะไปเที่ยวป่าหิ ม, มาพาน ตามความเข้าใจของแม่คนที่เหาะได้นั้นเขาไม่เอากายเนื้อไปแต่ไปด้วยกายทิพย์กายเนื้อนั้นหยาบและหนักส่วนกายทิพย์เป็นกายละเอียดและเบาพอๆกับอากาศจึงล่องลอยไปได้ถ้าเะนั้นผมจะบวชเป็นพระอย่างหลวงพ่อช้างเพราะผมอยากเหาะได้คนอายุสิบสองพูดตามราษาเด็กก็ดีสิ แม่จะได้ขอเกาะชายผ้าเหลืองไปเที่ยวป่าหิมพานด้วยแม่จวนพลอยนึกสนุกไปกับลูกไม่ได้หรอกครับแม่เป็นผู้หญิงประเดี๋ยวผมต้องอาบัตพระกับผู้หญิงถูกตัวกันไม่ได้คนไปนลูกว่าด้วยเคยรู้มาจากผู้เป็นยายถ้างั้นแม่ก็ไปไม่ได้คนเป็นแม่พูดงอนงอนเอาอย่างนี้ดีกว่าให้พ่อ ไปกับผมแล้วกลับมาเล่าให้แม่ฟังดีไหมครับเด็กชายพยายามพูดเอาใจมารดาไม่ดีแน่เกิดพ่อเองไปได้มักกะลีผลเป็นเมียก็จะไม่กลับมาหาแม่คนพูดหึงมักกะลีผลคืออะไรครับแม่เขาว่าเป็นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในป่าหิ ม, มาพานต้นไม้นี้ออกลูกเป็นผู้หญิง รูปร่างสวยโสภาเหมือนเด็กสาวอายุสิบห้าสิบหถ้าฉะนั้นก็แปลว่าแม่หน่ะหึงกระทั่งผลไม้ก็ไม่ใช่ผลไม้ธรรมดานี่นาไอ้หนูเขาว่ามักกะลีผลเนี่ยสวยมากขนาดพวกฤษียังแย่งกันเก็บเอามาทาเมียเวลาที่มันหล่นจากต้นส่วนพวกวิทยาธรและคนทันที่เหาะได้ ก็จะเหาะไปปิดเอามาทำเมียผมจะเก็บมักลีผลที่ออกลูกเป็นผู้ชายมาฝากแม่พ่อจะได้หึงบ้างแม่ว่าดีไหมครับไม่ได้หรอกไอ้หนูหลวงพ่อช้างท่านว่ามักลีผลต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นถ้าเป็นผู้ชายแปลว่าของเก๊ของแท้ต้องเป็นผู้หญิงมานดาของเด็กผมแกลอธิบาย เธอเชื่อในสิ่งที่หลวงพ่อช้างเล่าให้มารดาฟังดีละถ้าผมไปป่าหิ ม, มพานจะเก็บมาทำเมียบ้างเองเป็นพระทำอย่างนั้นก็ต้องอาบัติประราชิกนะสิมารดาทวงผมก็ฝากให้พ่ออุ้มมาเผื่อสิครับพอกลับมาผมก็สึกอยาคิดลามกจกเปรตยอย่างนั้น เองยังเด็กนะไอ้หนูเอาสมองไว้คิดเรื่องเรียนดีกว่านอนเถอดดึกมากแล้วแม่จวนพูดตัดบทแม่จะืึงแล้วใช่มหมกลัวพ่อจะเอามะการีผลมาทำเมียเด็กชายล้อเลียนมานดาแม่จวนไม่ตอบโดยรู้สึกขัดเคิลที่ลูกชายรู้เท่าทันเห็นมานดาเงียบไปเด็กชายจึงถามขึ้นว่า แม่ครับพรุ่งนี้พ่อจะมาฟังเทศหรือเปล่าครับมาสิถ้าเขารู้ว่าเองไม่โกรธไม่เกลียดพ่อกับแม่แล้วเขาคงจะดีใจมากตั้งแต่เองมาอยู่กับยายพ่อเองเปลี่ยนไปเป็นคนละคนที่เคยอารมณ์ดีก็กลายเป็นคนหงุดหงิดโมโหง่ายเขารักเองมากนะไอ้หนูแต่เขาไม่เคยมาเยี่ยมผมเลยนะครับ ผมได้เห็นหน้าพ่อแม่ปีละสองครั้งเท่านั้นนี่ทยายไม่จัดให้มีเทศมหาชาติที่บ้านผมก็คงจำหน้าพ่อแม่ตัวเองไม่ได้แล้วแม้จะหายน้อยใจหากยังไม่วายประชดประชันก็พ่อเองเขาทำงานหาเลี้ยงครอบครัวส่วนแม่ก็ต้องอยู่บ้านดูแลลูกเต้าจะเอาเวลาที่ไหนมาบ่อย เองต่อแล้วก็น่าจะไปเยี่ยมพ่อกับแม่และพี่ๆเข้าบ้างมานดาพูดตัดพอ้อก็ผมนึกว่าพ่อแม่ไม่ต้องการผมแล้วจึงไม่อยากไปให้เห็นหน้าเอาเถอะครับต่อไปนี้ผมจะมันไปเยี่ยมพ่อกับแม่ผมชัดง่วงแล้วเรานอนกันดีกว่านะครับวันรุ่งขึ้นพวกหลานๆถูกปลุกให้ลุกมาฟังเทศคาถาพัน ซึ่งพระจะเริ่มเทศเวลาห้านาิกาตรงที่ยังเล็กนักก็ส่งเสียงร้องไห้กระจององอแงเพราะไม่เต็มอิ่มส่วนพวกที่โตนหน่อยแต่ซุกสนชอบหนีไปวิ่งเล่นก็ถูกยายจับผูกขาล่ามเอาไว้กับเสาเรือนเป็นการบังคับให้ฟังสไปยคนหนึ่งไม่อยากให้ยายทำกับลูกอย่างนั้น หากก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาด้วยเกรงใจคนเป็นแม่ผัวจึงได้แต่เก็บความไม่พอใจไว้แต่ผูด้เดียวจะว่าแม่ผัวลำเอียงหรือก็พูดไม่ได้เพราะไม่ใช่แต่ลูกของตัวเท่านั้นที่ถูกทำเช่นนี้ลูกของลูกสาวแทๆ้ๆแม่ผัวก็ยังทำ กว่าจะจับหลานคนโน้นคนนี้ผูกขาเสร็จก็เล่นเอายายเหนื่อยกระนั้นก็มีความสุขกับการเกณฑ์ลูกหลานขึ้นสวรรค์พวกลูกสาวลูกสะใภ้ของยายเขาไม่ยอมช่วยเพราะสงสารลูกตนเองแต่ยายกลับคิดว่าถ้าหลานไปตกนรกจะยิ่งน่าสงสารกว่านี้หลายเท่านะักจัดการกับหลานคนอื่นๆเสร็จแล้ว ยายก็เรียกหลานคนโปรดยายครับผมอยู่ป .4 แล้วยายเลิกผูกขาผมสะทีนะครับเด็กชายวิงวอนได้รู้ว่าตนจะต้องเป็นจำเลยรายต่อไปไม่เป็นไรเอาไว้เองอยู่มัธยมหนึ่งยายค่อยเลิกผูกยายพูดง่ายๆหากเด็กชายรู้สึกฟังยาก ผมสาบานว่าจะไม่หนีไปเล่นอย่างเด็ดขาดจริงๆนะยายยายไม่ชอบสะบดสะบานคนดีก็ไม่ต้องสาบานพูดอะไรคนก็เชื่อเพราะก็ไม่พูดเลาะแล่เล้วไหลไรสาระยายถือโอกาสเทศก่อนพระเด็กชายพูดไม่ออกครั้นจะเถียงยายว่าเขาไม่ได้เป็นเช่นนั้น ก็ดูจะเป็นการโกหกซ้อนโกหกทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะยายเป็นบุคคลเดียวที่รู้เท่าทันเขาทุกเรื่องยื่นขามาเสียดีๆเร็วๆ เ, เข้าจวนได้เวลาแล้วยายเร่งเด็กชายอายุสิบสองจึงจำใจให้ยายผูกขาเช่นเดียวกับหลานที่ซุกซนคนอื่นๆรู้สึกอับอายขายหน้าตรงที่เขาตัวโตที่สุด แล้วก็อายุมากที่สุดในบรรดาผู้ที่เขาผูกขาไม่เป็นไรปีหน้าจะได้ขึ้นมัธยมแล้วเด็กผมแกละปลอบใจตัวเองแต่แล้วก็เกิดความคิดขัดแย้งขึ้นในใจแล้วถ้าเกิดสอบตกละ่ะต่อไปนี้เห็นจะต้องตั้งอกตั้งใจเรียนเสียที